เพราะว่าสติที่เกี่ยวข้องสหรคตตัวนี้แปลว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวข้องด้วยความสําราญที่เรียกว่าสังสัทธะเนี่ยนะท่านกล่าวว่าสาตสหคตาสหรคตแปลว่าเกี่ยวข้องด้วยความสําราญจริงอยู่สติที่เกี่ยวข้องด้วยความสําราญ น, นั้นอนะเว้นจตุตฌานในฌานที่เหลื อ, อย่อมเป็นสาตสหคตาสหรคตด้วยความสําราญแปลว่าสติที่สหรค ต, ตด้วยปฐมฌานทุติยฌ า, านตาติยฌ า, านนี่แหละ สติอันนี้ที่เกิดในปฐมฌานทุติยฌ า, านตาติยฌ า, านนี่แหละชื่อว่าเกี่ยวข้องกับความสำราญหรือสหรคตด้วยความสำราญเพราะไอส า, สาตะตัวนั้นแปลว่าความสุขนะสหรคตด้วยความสุขเป็นความสุขที่หวานชื่นกับฌานในจิตทั้งหลายเนี่ยนะสติที่เกิดร่วมกับฌานนั่นแหละแม้เมื่อสติสหรคตด้วยอุเบกามีอยู่โดยมากท่านก็กล่าวว่าสาตสากตา อีกอย่างหนึ่งเพราะจตุตฌานเป็นมูลของปุริมะฌานอันท่านกล่าวถึงสติสหรคตด้วยอุเบกขาบ้างเพราะสหรคตด้วยความสําราญบ้างก็เมื่อความสุขมีอยู่ด้วยอุเบกขาสติจึงชื่อจึงเป็นสาตาสหกตาเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ด้วยเหตุนั้นจึงเป็นอันท่านกล่าวถึงสติสัมปยุทธ์ ด, ด้วยจตุตฌานด้วยนะจพีงก็อธิบายอะนะแต่ถามว่าพูดให้มันเข้าใจง่ายๆได้ไหมบอกได้ แปลว่าอะไรแปลว่าสติที่เกิดร่วมกับฌานหนึ่งสองสามสี่นั่นแหละแค่นี้ยท่านอยากให้เรารู้แค่นี้แหละพูดมาตัวเยอะเลยนะว่าสติที่เกิดร่วมกับฌานที่หนึ่งกับเกิดร่วมกับฌานที่สองกับฌานสรุปว่าฌานหนึ่งสองสามสี่ที่มีอสุภะเป็นอารมณ์นั่นแหละเรียกว่ากายคตาสติสหรคต ด, ด้วยความสําราญอันนี้ควรเจริญมากนะก็คิดดูนะว่าเป็นความสงบที่ได้จากอาสุภะเนี่ยความสงบที่ จริงๆถ้าโดยอสุภาษมันได้แค่ชามที่หนึ่งเท่านั้นแต่ว่าโดยกสินเนี่ยจะได้ถึงชานสี่นะโดยกสินเนี่ยนะเช่นอนีละกะสินกระสินสีเขียวเนี่ยจะได้จากอะไรได้จากผมได้จากผมได้จากตาดำได้จากตรงไหนที่มันเกี่ยวที่ดำๆทั้งหลายเนี่ยเยื่อในกระดูกเป็นต้นเนี่ยนะตันี้ก็สามารถจะเข้านีละกะสินได้ถ้าเป็นปีตะกกรสินสีเหลืองตรงไหน ตรงตาเลี้ยงหลืองอะนะที่ดวงตาเลีเหลืองมีไหมมีบางคนนี่ออกตาเลีงเหลืองหน่อยตรงไหนอีกอตรงน้ําดีเนี่ยนะน้ําดีก็ออกเเหลืองหน่อยใช่ไหมแล้วก็มันข้นมันข้นก็จะออกสีเลี้ยงเหลืองหน่อยท่านพิจารณามันข้นเป็นต้นพวกนี้ก็จะได้สีเหลืองแล้วก็ ส, สีแดงสีแดงจากเลือดจากเนื้อริมฟีปากอะไรเป็นต้นก็จะออกเป็นสีแดงท่านพวกนี้ก็สามารถเข้ากระสินได้สีขาวสีขาว ฟันกับกระดูกเนี่ยนะใต้จากกระดูกจากฟันแต่ว่ากระสินที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมันไม่ใช่สีแท้ๆมันไม่เหมือนวันละกระสินแบบแบบเขาจึงมีเขามีสองอย่างอนะกระสินที่ใส่ใจว่างามงามงามงามพวกนี้เป็นจะเป็นกสินภายนอกเขียวก็เขียวลุ่นลุ่นแดงลุวนลุ่นขาวลุ่นลุนเป็นต้นเนี่ยนะแต่ว่าถ้าเป็นกระสินที่อยู่ภายในเนี่ยนะกระสินที่ภายในเนี่ยจะเป็นกระสินที่ไม่บริสุทธ เป็นกสินที่ไม่บริสุทธิ์เช่นสีเขียวก็อย่างเช่นก็ไม่บริสุทธิ์แท้เนี่ยนะสีขาวก็ไม่ขาวแท้สีเหลืองก็ไม่เหลืองแท้สีแดงก็ไม่ถึงกับแดงแท้นี่ยนะเพราะว่าเพราะมันเจือด้วยอย่างอื่นๆเพราะฉนชามที่มีผมขนเล็บเป็นต้นเป็นอารมณ์แล้วใส่ใจโดยวันณกสินได้ชานที่หนึ่งสองสามสี่สติที่เกิดร่วมกับชามที่หนึ่งสองสามสี่นี่แหละเรียกว่ากายคตาสติที่สหรคต ด, ด้วยความ สำราญให้พิจารณาเรียว่าเจริญฌานโดยที่มีรูปเหล่านี้เป็นอารมณ์นี่แหละเป็นธรรมหนึ่งที่ควรเจริญเนี่ยควรเจริญทีนี้ถ้าใส่ใจได้ฌานด้วยอำนาจกสินหรือด้วยอำนาจอสุภะได้ขนาดนี้แล้วเนี่ยที่จะพิจารณาตามเห็นกายด้วยความเป็นของไม่เที่ยงยากไหมไม่ยากใครที่กําหนดผมแล้วเข้าฌานได้เนี่ยไปที่ไหนมันเห็นแต่ผมหมดอ่เชื่อไหม ใครที่คิดเรื่องผมมากๆนะไปที่ไหนจะเห็นแต่เส้นผมหมดเลยนะถ้าใครที่คิดถึงเล็บมากๆไปที่ไหนก็จะเห็นแต่เล็บใครที่คิดเรื่องกระดูกมากไปที่ไหนก็จะเห็นแต่กระดูกพรอมที่ไหนบางพ้นจากกระดูกมีไหมตากระป๋องยังมีกระดูกเลยนะอา้าวมีกระดูกได้ทุกหนทุกแห่นะนะ ง, งนะทันะ้งเรื่องเนาะถ้าสายใจโดยกระดูกเห็นภูเขาก็เห็นเป็นกองกระดูกได้หมดสรุปว่าเห็นทุกอย่างเห็นเป็น กระดูกได้หมดเลยเพราะฉะนั it, it it, like anything, like ้นท like so, like, like ่าเจริญได้จริงๆเพราะฉะนั้นท่าคนที่เจริญอย่างเงี้ยพรงศ์จึงสอนให้อ่าเจริญฌานเหล่านี้อนะเช่นเจริญอันเดียวก็ยังดีอะไรนะกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกอธิกะอธิอธิอธิแบบแบบอะไรนะนกแขกเต้าใช่ไหมนกแขกเต้าสายใจกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกกระดูกข้ากระดูกกระดูกกร็ไปจัดกระจายเรี่อยไรอยู่ที่ไหนเนาะเนี่ยนะกระดูกเหล่านี้จะไปกระจัดกระจายเรื่อยไรอยู่ที่ไหนนาะไปเออตามวัดนี่เห็นชัดเลย สร้างเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกสูงเป็นชั้นๆเหมือนคอนโดเลยนะเป็นวงทำไมจะไปอยู่ชั้นไหนบางแห่งในกำแพงวัดเนี่ยมีเต็มทั้งกำแพงเน่ยไปไปที่ชัยนาธมีเห็นชัดนะกำแพงวัดตรงวั ด, รวดพระาธาตุนั่นันนะกำแพงวัดเนี่ยเป็นซุ้ม เ, เป็นชั้นๆเนี่ยใส่ได้อีกเยอะเนี่ยนะแต่เชื่อเขาไม่ไดเอามาใสา่หมดหรอกเขาเก็บกระดูกเก็บมานิดเดียวนะที่เหลือไปทิ้งหมดเลยนะตัดทิ้งหมดบางทีก็เก็บเอามาแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหะเก็บพอมาเป็นที่ทีแค่นั้นเลย เราก็ไปวางไว้เขาไม่ได้เอาเก็บกระดูกเรามาทั้งหมดนะเขาไปทิ้งซะสมมติกระดูกเนี่ยมี ม, มีหนึ่งถังเนี่ยเขาเก็บมาแค่ลิปเดียวเก็บมานิดเดียวเขาไม่ได้เก็บเอาทั้งหมดอ่ะนะทีแล้วก็ถ้าเป็นแบบอีสานหรือภาคบางภาคชนบทเขาจะฝังดินทิ้งหมดเลยเขาจะเก็บเอามาหน่อยหนึ่งพอใส่เพาอบใส่อะไรนะขวดโหลใส่อะไรสักอย่างหนึ่งแต่บางก่อนไปเจอที่รอยใส่หม้อรอยน้ำมาเลยทุกกองทุกกองมันมั น, ม, นมาแตกลง <c oughs> ที่มันก็นไปปล่อปลาไปไปล่อปลาที่เชียงรายในน้ํากกแล้วก็ไปไปก็เห็นเนี่ยกระดูกขาวพโพ้นข้างๆแล้วก็หม้อแค่หม้อแม่นากระ น, นะแตกเต็มไปหมดไม่ใช่หม้อป้านาะกระอย่างนั้นเป็นโอ้เต็มไปทั่วไปหมดอ่ยนะไปที่ไหนถ้าคิดเรื่องกระดูกเยอะๆไปที่ไหนก็เห็นแต่กระดูกกันเลย เขาบอกว่าเห็นแต่ยิ้มยังเห็นกระดูกไปเลยก็ว่ามองยิ้มอะไรนะยิ้มฟันเขาพมีอพระพิสุรูปหนึ่งเจริญอธิกาสัญญาเป็นปกติใช่ไหมก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งหัวเราะก็เลยมองเห็นกระดูกวิ่งเดินไปได้เลยกันี้ไม่ไม่ไม่รู้ว่าใครเป็นใครแล้ว <S <S เห็นแต่กระดูกเดินไปได้แหละเพราะถ้าเจริญอย่างนั้นบ่อยๆแบบพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าจะมีความสุขนะถ้าจะหาความสําราญหาความสุขจริงๆก็ควรจะหาความสุขจากการเจริญแบบนี้เพราะอะไรเพราะการเจริญแบบนี้เนี่ย น, นะ ไม่มีโทษเป็นไปเพื่อความสุขพระเทระรูปหนึ่งท่านบอกว่าถ้าท่านขอพอรได้แล้วพระพุทธเจ้าให้พรจริงให้พรได้หมายคือว่าเหมือนกับว่าเป็นเหมือนถ้าเปรียบเหมือนลัทธิบันดาลได้ท่านจะขอพอร่ขอให้สรรพสัตว์ทั้งมวลนี่อยู่ด้วยกายคตาสติเจริญกายคตาสติใส่ใจแบบนี้ เพราะอะไรเพราะการใส่ใจแบบนี้เนี่ยมันลดปัญหาได้เป็นหมื่นเป็นล้านตัญหาจะทุกคนจะมีแต่ความสุขความเจริญหมดเลยจะไม่เดือดร้อนเลยแต่ถ้าใส่ใจตรงกันข้ามเมื่อไหร่ปัญหาเนี่ยตามมายุ่งเหยิงไปหมดเลยเพราะว่าการเจริญกายคตาสติที่สหรคตด้วยความสําราญโดย อ, อสุภะเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้แหละจะเป็นไปเพื่อบรรลุมรคนิพพานพระองค์แสดงในในอังคุตรนิกายเอกาณีบาเลยว่ากายคตาสติเนี่ยนะ ที่ผู้ใดเจริญแล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าดื่มอมาตะแล้ว น, นะเพราะว่าการเจริญแบบนี้เป็นปัจจัยเพื่อบรรลุอมาตะคือทานี่ผ่านได้เนี่ยนะในในหลักการเหล่านี้พระในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะใครที่เข้ามาบวชทุกคนถือว่าต้องผ่านตะจะปัญจกะกรรมฐ า, านทั้งหมดเนี่ย น, นะนะเกษาโลมานะขาทันตาตะโจในท่านจะสอนเลยเกสาโลมานะขาทันตาตะโจนะ แล้วก็บอกวิธีการคิดวิธีการพิจารณาไม่ใช่น้อยเลยโกนผมเสร็จแล้วบรรลุหมดเลย น, นะบรรลุเยอะมากถ้าผู้ที่มีวาสนามีอุปนิสัยสั่งสมบุญมาดีในถ้าพุทธศาสนาในของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนท่นพอฟังคําว่าผมขนเล็บปันหนังเป็นต้นมณฑิการโดยประการต่างๆก็บรรลุได้ทีนี้ของเราทั้งหลายถ้าเราไม่สั่งสมเอาไว้ให้ดีตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์นี้คิดหรือว่าเจอพระพุทธเจ้าองค์ใหม่แล้วเราจะคิดผมขนเล็บปันหนัง คิดเหมือนการแต่คิดว่า ง, งามคิดตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าสอนใช่ไหมก็บอกว่าถ้าคิดว่า ง, งามเป็นสาวก ข, ของมารถ้าคิดว่าไม่งามเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าก็ดูว่าวันวันหนึ่งเราสาวกของใครอ่นะของ ย, ยมอมบอกชัดถ้อยชัดคำเลยว่าของมารยมอมก็บอกว่าถ้าใส่ใจว่าบองงามมันกินข้าวบ่ล้ําขาบอกงั้นแต่ว่าถ้าใส่ใจอสุภะมากๆมันกินข้าวไม่อร่อยเขาบอกงั้น เอาวก็อร่อก็จะได้ลิ้นหลายแฉกกระมังนั่นนะมันถ้าก็อย่างว่านะถ้าอร่อยเท่าไหรก่ก็คิดเอากันแล้วกันว่าทำาํทำสามที่กวนะคืออะไรตันหาสามถ้าตันหามันลดอีกก็เดือดร้อนอีกแล้วสัพเพสัตตานี้สัตาตานแปลว่าอะไรสัตตะสัพเพแปล ว, ว่าทั้งปวงสัตวมนี่แปลว่า ศาสตรผู้คล่องในขันห้าบอก็นี่แหละผู้คล่องในขันห้าก็เป็นอย่างนี้แล้วถ้าเลือกคล่องในขันห้าเมื่อไหร่ก็แห้งแล้งเลยนะชีวิตในอับเช้าแล้วถ้ามันคล่องเมื่อไหร่แหมมันมีความหวังนะมีความหวังในขันห้านี่มันทุ่มเทเต็มที่เขาบอกว่าเริ่มจะหมดหวังในขันห้าเริ่มผิดหวังกับขันห้าเมื่อไหร่ก็แห้งแล้งหงี้ยเงาเนี่ยนะอากลับต่อไปว่าทำสองที่ควรเจริญคือสมถโธจะวิปัสสนาจะสมถะแล วิปัสสนาสมถะนั้นแปลว่ายังทมที่เป็นฆ่าศึกให้สงบทำฆ่าศึกให้สงบเนี่ยนะหรือทำฆ่าศึกให้หมดไปเรียกว่าสมถะหรือสงบจากฆ่าศึกคนคนที่ศึกษาสมถะไม่ดีเนี่ยไปแปลสมถะว่านิ่งะลึกเข้าไปเลยเขาบอกลึกมากนิ่ง แต่จริงๆคําว่าสมถะแปลว่าสงบการมาฉันทะสงบพยาบาทสงบทีนะัมิทัศสงบอุทะจกักกุกุจะสงบวิจิกิจชาความสงบนิวณห่านั่นแหละเรียกว่าสมถะสมถะแปลว่าความสงบนิวรห่าหรืออีกในหนึ่งว่าความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตเนี่ยนะก็ได้นะความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตก็เรียกว่าสมถะแต่สมถะที่ประสงค์ในทีนี้คือสงบนิวรห่า ตัวสมถะเนี่ยนะฮะมันคือเอกกคตาใช่ไหมโดยโดยโดยความมุ่งหมายจริงๆคือเอกกคตาเอกกคตาอยู่ๆแล้วมันโตขึ้นได้เองเลยไหมไม่มันต้องมีองค์ประกอบองค์ประกอบของเข้าคืออะไรวิตกวิจารปีติและสุขวิตกวิจารปีติสุขเนี่ยมันเป็นเครื่องค้าจุนให้เอกกคตาเนี่ยมันดารงอยู่ได้ถ้าไม่มีองค์ประกอบคือวิตกวิจารปีติสุขยากที่ใจจะตั้งมัน่น คนที่มีใจตั้งมั่นเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมคือเนคขมมะวิตกอัะอัพยาบาทวิตกอวิหิงสาวิตกแล้วกุศลวิตกเหล่าเนี้ยเป็นเหตุให้เกิดปีติได้รับความสุข n ั่นแหละใจจึงจะตั้งมั่นถ้าไม่มีคุณธรรมดังที่กล่าวไป ย, ยากที่ใจจะตั้งมั่นเพราะใจที่ตั้งมั่นเกิดจากกุศลวิตกวิจารณ์มีปีติและมีความสุขในกุศลธรรมนะนะส ง, งัดถ้าเป็นเอ สํานวนพระสูตรทั่วไปก็สงัดจากอกามสงัดจากอคติโสฬธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานปีติสุขที่เกิดจากวิเวกเนีย่ยนะเพราะนั้นคําว่าเอากคตาตัวนี้เป็นเป็นความวิเวกที่ที่ไม่ไม่ลําบาก น, นะด้วยบาปอากุิโสธรรมทั้งหลายเพราะสงบบาปอคติโสฬธรรมทั้งหลายจึงเรียกว่าเป็นสมถะสมถะเนี่ยเป็นเขตใกล้ของอะไรวิปัสสนาใช่ไหม ที่จริงทั้งสมถาวิปัสนาบางนิยะบอกว่าเจริญสมถะนำหน้าวิปัสนาตามหลังบางแห่งก็สมถะวิปัสนานำหน้าสมถะตามหลังบางคู่ก็ควบคู่กันไปตรงนี้วิปัสนาคืออะไรวิปัสนาเนี่ยแปลว่าเห็นแจ้งนะนะหรือเห็นทำโดยอาการหลายอย่างด้วยกันหลายอย่างมีอะไรบ้างเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงตามเห็นโดยความเป็นทุกข์เห็นโดยความเป็นอนัตตานะ อันนี้แหละชื่อวิปัสสนานั้นเป็นชื่อของปัญญารู้ทั่วรู้ชัดรู้โดยประการต่างๆรู้โดยอ น, นิจจังทุกขังและอนัตตาเป็นต้นนั่นและเขาบอกรู้โดยอ น, นิจจังรู้ยังไง